รรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22มีนาคม2540มีชื่อเรื่องว่าหมูจอมวางแผนเราไม่ได้สวดอ่อนวอดกับทิมศักดิสิธิ์ เราสวดเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าแต่เราสวดทุกบทที่ผ่านผ่านมามีความหมายทุกบทอย่างมะุ่งเวสรนณังยันติอัปปตานิวนานิจะอันนี้ก็เกี่ยวกับให้พวกเราถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นรณะเป็นที่พึ่งไม่ถือภูผาป่าไม้เป็นรณะเป็นที่พึ่ง ไม่ได้ยึดอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแทนให้ยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสถานะเป็นที่พึ่งบทที่สองอเซวานาจะบาลานังการไม่คบคนผ่านบันดิต า, านาเสวนาให้คบแต่บัณฑิตปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังสรมุตตมังอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุด้าดว่าไม่ได้สวด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 อยู่ในที่พักกลางวันและกลางคืนของตนอย่างพวกเราพักอยู่เดี๋ยวนี้แหละคือมีกุฏิเล็กๆหรือว่าที่พักเฉพาะตัวแต่ในป่านั้นมันเป็นมีอมนุษย์อมนุษย์น่คือพวกมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อถ้าจะว่าไปก็คือเป็นพวกภูมภูมิเทวดารุกขเทวดานั่นแ่ะอยู่ในป่า พอเห็นพระสิสุทั้งสามสิบรูปเข้าไปก็มีความยินดีอยากจะให้พระท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่านั่นน่ะพอพระท่านกับเขาไปบำเพ็ญอยู่ในป่าคิดว่าวันพุ่งนี้ท่านคงจะออกไปก็มั่งท่านพักมาหลายวันแล้ววันมะลืนนี้ท่านจะออกไปมั่งอพภูมิทั้งหลายคือไม่อยากจะให้ท่านอยู่พอท่านอยู่เข้าไปท่านเป็นผู้มีศีล พวกภูมิทุกขเทวดาทั้งหลายอยู่สูงกว่าพระเขาก็ขัวเป็นบาปเขาก็เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของเขาหลูกเล็กเด็กแดงอะไรในลักษณะนั้นแะ่ะทีนี้พระทั้งหลายก่อท่านก็ไม่ไปง่ายเพราะท่านบำเพ็ญภาวนาท่านเป็นที่สัปปายะของท่านท่านก็บ่งเพนอยู่เน้นทีนี้พวกภูมิทั้งหลาย ก, อยา ก, ายก็อยากจะให้ท่านออกไปไม่คาดว่ากันแกล้งที่จให้ออกไป พระเวลาท่านไปภาวนาอยู่ในปา่ากลางวันก็ดีกลางถืนก็ดีก็มีของแ ป, แปลกๆให้เห็นเช่นว่าเห็นคนหัวด่วนบักหัวขาดฟังลักษณะเนี่ยทําให้ภาคีสูเหล่านั้นตกใจกลัวก็เลยคันคนนั้นก็เห็นองค์นี้ก็เห็นแล้วก็เลยปรึกษากันโอลพวกเราคงอยู่ไม่ได้ทําไมแป ล, แปลกๆอย่างนี้ก็เลยพาขันออกจากป่านั้นไป แล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ถามเป็นไงพวกเธอบำเพ็ญอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นพระสุกคีอยู่เหรอพระภิกษุเหล่านั้นก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยให้เรียนกรณียเมตสูตรอืเอาพวกท่านทั้งหลายเรียนเอกขะษาปณ์เนี่ยกรณียเมตสูตรพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเรียนพ็เรียนจบแล้วพุทองค์ให้กลับมาบําเพ็ญอยู่ที่เก่า พระองค์บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงป่านั้นให้พวกเธอสาธยายกรณมียเมตสูตรนี่นะเดินทางเข้าไปสวดไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่สิ่งที่พวกท่านได้เห็นจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ท่านพักพระสงฆ์เหล่านั้นก้าปฏิบัติตามเมื่อเข้ามาอยู่ก็ไม่มีอะไรพวกภูมิพวกลุกขะทั้งหลายก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายเย็นอกเย็นใจด้วยการอานุโมทนา จากนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นท่านก็พุทธปฏิบัติจนได้สําเร็จมรรคผลตามความปรารถนาความประสงค์ของท่านนี่แหละจึงได้เกิดมีกรณีเมตตาสูตรขึ้นมาเราที่เราสวดไปสักครู่นี้แหละเราไม่ได้สวดเพื่ออ่อนวอนไม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสวดเป็นบาตรพระคาถาที่พระเจ้าที่เราอยากจะรู้เรากับมีคําแปลไว้อยู่ เราไปอ่านคำแปลก็ได้นี่แหละพวกเราตั้งอกตั้งใจหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติแนวหน้าก็ให้เข้มงวดกวดขันพยายามตรวจตราดูตนเองเสมอโดยเฉพาะเรื่องศีล น, นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญพระสงฆ์จะสวยงามได้ก็ด้วยศีลจะเป็นกฎมีระเบียบได้ก็ด้วยศีล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 ว่าสังฆโสภาความพร้อมเพียงของสงฆ์ทำให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปได้เหมือนกับนายมาลาการถทำอ่างนั้นนะเอาดอกไม้หลากสีสีแดงสีเหลืองสีอะไรหลายหลายสีเอามาร้อยเข้าวงมาเลายดูแล้วก็สวยงามอันนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์มาจากจากติฤทธิ์มาจากสกุลต่างๆมาอยู่ร่วมกันแต่ย เรื่องศีลกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์บัญญัติเอาไว้กันอยู่ร่วมกันก็มีแต่ความผาสุกเย็นใจแต่ถ้าหากว่าพวกเรามาอยู่ในศีราจารวัตไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมต่างคนก็ต่างอยู่ไม่มีกดไม่มีเกณฑ์ก็หาความพรมเย็นผาสุกไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้ มีความพร้อมเพียงมีสาความสามาัคคีกันอย่างที่พูดจักคู่นี่แหละปีนี้แต่ละปีฝ้าใหม่ฝนใหม่ถ้าหากว่าลมพัดโดยมากจะมีลมแรงแต่วัดของเราเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้สูงถ้าจะว่าไฟก็เป็นไม้ที่น่ากลัวทีเดียวแต่ว่ามันยืนหยัด ความพอหมู่ของมันมันเป็นหมู่เป็นคณะมันรวมรวมกลุ่มกันมันก็สามารถที่จะต้านลมได้แต่ถ้าหากว่าไม้มันอยู่เดียวๆตามกลางไร่กลางนาของเขาน่ะโดยมากมันจะโค่นและเดนละนาดเพราะมันไม่มีหมู่มีเพื่อนอันนี้วัดของเราเนี่ยปันไม้มันแน่นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทามาประทะเข้าไปมันก็ มันอิงอาศัยซึ่งกันและกันป่ามันก็อยู่ได้สรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงความสามัคคีนั่นแหละทำให้คนเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขครอบครัวใดก็ตามพระสงฆ์คณะกลุ่มใดก็ตามถ้าว่าไม่มีความพร้อมเพียงไม่มีความสามัคคีก็หาความสุขหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จะเป็นสานักงานก็ดด อันไหนก็ดีประเทศชาติไหนก็ดนะีร่างกายของคนเราก็เหมือนกันอาการสามสิบสองทมันแตกสมัครกีกันส่วนใดส่วนหนึ่งเจ้าของก็หาความสุขไม่ได้เจ็บตาปวดหูอย่างเนี้ยร่างกายนั่นก็หาความสุขไม่ได้เพราะหูจะแตกสมัคีตาจะแตกสมัคีคนนั่นก็หาความสุขไม่ได้เพราะมันเจ็บมันปวดอันนี้ก็เหมือนกันนะั่น่ะ ถ้าว่ามีความพร้อมเทียงมีความสมัคคีกันอะไรทำไรช่วยกันคิดจากการอ่านช่วยกันทําตักเตือนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้คือให้มีความพร้อมเทียงมีความสมัคคีกันท่านยังมีชาดกขึ้นมาถ้าหาว่าสัพพสัตทางหลายดวงมนุษย์ทางหลายสัตว์ทางหลาย ถ้ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันพอเอาชนะศัตรูได้ท่านยกตัวอย่างอย่างหมูป่าเนี่ยหมูป่าเอาชนะเสือได้ถ้ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันงัแต่ถ้าว่ามันมีความสมัคคีกันหมูเสือจับไปจีนหมดนั่นแหล ะ, ะท่านเลยยกตัวอย่างให้ฟังในพระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่าง เรื่องชาดกคือพระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นพระราชาแคว้นโกศลแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินกรุงราชาคฤห์คือพระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวดองซึ่งกันและกันแต่ ง, งานในเชื้อพระวงศ์เกี่ยวพันกันต่อมาก็พระเจ้าอชาัตวูก็บข้าพบิดาทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ยขัดเคืองที่เป็นพระเจ้าลุงเนี่ยขัดเคืองหลานเหมือนนั้นเถอะ คือก่อนหน้านั้นมหาพระเจ้ามหาโกศน่ะยกพระราชธิดาให้พระเจ้าพิมพิสารก็คือเป็นแม่ของพระมารดาของพระเจ้าอศาซ า, าตุรูพอพระเจ้าอาซาตุรูองพระสนพระบิดาพระเจ้าประเจนจิโกศนี่ก็ไม่พอใจกันเลยยกไปตีเอาแคว้นกาสีคืนเหมือนอกันเลยก็เลยสู้กันกับหลานหลานชายพระเจ้าเป็นดินยกพดยกคนสู้กัน สู้ทีไรก็สู้หลานชายไม่ได้เขามีกำลังวังซาแข็งแรงกว่าเขาจัดเตะเตรียมได้ดีกว่าเออตอนนี้ก็ขอผ่าแพ่หลานชายก็กลับมากลับมาปรึกษาปารบกับเจนาอมาตออกความคิดเห็นว่าจะเอายังไงมีคนหนึ่งเสนอแนะบอกว่าเอพระในวัดป่าเชตวันเนี่ยเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีผู้มีสติปัญญาก็มีไปบวชอยู่นั่นะ ผมว่าท่านคงจะสนทนากันแล้วไปฟังความคิดเห็นของท่านดูเมื่อท่านสนส น, นทนากันเราอาจจะได้ความคิดดีๆอืมาปรับปรุงกองทัพของเราที่จะสู้กับพระเจ้าอาัาาสสัตตูได้ก็เลยตกลงกันก็เลยให้จาระบุลว่า ง, งั้นนะวันนี้ก็คงจะเป็นสันติบาลนั่นน่ะคอยฟังพระสงฆ์พูดกันทีนี้วันหนึ่งมีพระแก่สองอ ง, องค์ที่บวชภายแก่ อยู่ท้ายของวัดป่าเชตะวั น, นตอนดือดติ ก, กลางคืนคือคงจะนอนไม่หลับนั่นนะเกเลยมาลุกมาเออถามเป็นไงจะถามวันได้ยินว่าพระเจ้าประเสริฐไปรบกับหลานชายไม่ชนะ น, า, นาว่างั้นนะสองคราไอ้จารุบุรุษคือตำรวจแ้ก่ก็กดดักฟังเป็นไงโอ้ถ่าว่าพระเจ้าประเสริฐวางแผนดีๆนะผมว่าชนะได้เงี้งาาอยงองหนึ่งก็ถามมาทํายังไงองค์หนึ่งกับ บรรยายเลยเป็นบอกว่าคือระหว่างแฟนกาสีกับือโกศนกับราชคือเน่ยมันมีภูเขาอยู่อในช่องนั้นพอพระเจ้าชาตรูคิดว่าจะไปลบแล้วก็วางทหารไว้ในแนวช่องเขาเนี่ยนะไวทั้งสองข้างซุ่มเอาไวนะ้เห่างนันแล้วก็เอาทหารหมูหนึ่งไปลอบลบกับพระเจ้าชาตรูพระเจ้ า, าศัตรูก็ไตก่กรนา่ ม, มาทีนี้ก็ถอยถอยถอยอย่างนันพอผ่านเข้ามาในช่องเขาแล้วก็ พวกทหารคนนั้นก็ลงมาปิดช่องเขาเลยสินเตยธนาพ่อไว้ก็จับได้ท่านั่นแหละวอางั้นทีนี้พวกนั้นก็ได้ยินกันเลยเามาพูดให้เป็เจ้าพระเสียรฟังเจ้าประเสีย ร, เ, ร, เ, ร เ, เออใช่ทีจากนั้นก็เลยจัดกองทัพไปปฏิบัติอย่างที่ว่านั้นฟุ่มทหารไปสองขาบฝากทางในหุบเขาทำอย่างนั้นก็เลยจับพระเจ้าพระศัตรูได้ทีแต่ในจุดความเล่าล่ําลือบอกว่าอื้อพระสงฆ์พระ แกสององค์น่ยสนทนากันเขาก็เลยจับไปนั่นพุทธองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่วางแผนแต่แต่เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนเขาเคยเป็นหมูเขเ ค, เคยวางแผนเอาไว้เหมือนกันท่านก็เลยพระสงฆ์ท่านก็น เ, ลกนเลยกลาวทูลว่าในอดีตชาติเป็นยังไงพุทธองค์บอกว่าอยากจะฟังเหลือท่านก็นเลยเทศก็เลยเล่ามิทานในอดีตชาติให้ฟังคือพระองค์นี้แต่ก่อนแต่ว่าสมัยหนึ่งเหมงอนนมีนายช่างไม้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 ดีปรรทัดให้ถ้าช่างไม้ต้องการมีดผ้าสัวอะไรอาหมูตัวนั้นเอาฆ่ามาให้ในช่างบอกไอ้โอ้หมูตัวนี้ฉลาดถ้าว่าเผื่อเราตายไปเนี่ยเขาคงจะท่าหมูตัวนี้เอเราไม่ให้เขาฆ่านรอกในช่างนั้นก็เลยพาเข้าไปในป่าเอาไปปล่อยในป่าลึกๆเดินไปไปปล่อยในป่าพอไปปล่อยในป่าหมูตัวนั้นเอออยู่ที่นี่นะหมูนะมันเราจะกลับนะในช่างก็กลับ หมูตอนนั้นก็อยู่ในป่าหมูก็ไปเห็นหมูพวกเพื่อนเยอะแยะทีนี้เออพวกเราคงจะล่มเย็นผาสุขดีเนาะมีหมูคนะเยอะแยะอาหารอุดมสมบูรณ์หมูป่าก็เลยบอกโอ้ยจะสมบูรณ์จะผาสุกได้ยังไงมันมีเสือโคร่งมากินพวกเราอยู่เสมอวงั้นหมูปา่าตอนนี้เลยบอกเออเราจะทํายังไง อ, อ้าพวกเรามีตังเยอะแยะทำไมจะสู้มันไม่ได้สู้มไม่ได้แล้วเพราะว่า ไม่มีพูดอะไมันกระโจนเข้ามากะแตกกนันกระจับไปกินทีละตัวทีละตัวอยู่ประจําวันอยู่เออทางนั้นพวกเราประชุมกันไม่ดีเหรอทางนั้นพวกเราต้องสู้มันสิตายเป็นตายทางนั้นสู้กันผนึกกันพร้อมเพียงสมัคคีกันไม่ว่าจะเสือละเอาชนะได้ทั้งหมดทางั้นถ้าเราพร้อมเพียงสมัคคีกัน อ, อหมูทั้งหลายจะยินยอมก็ยกให้หมูตัวนี้เป็นหัวหน้า ก็ยกห้เป็นหัวหน้ากันวางแผนนะส่วางแผนขุดหลุมลงไปให้เหมือนกับกระดง้งให้มันก้นแหลมลงไปข้างล่างแล้วก็ทำเป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งเหมือนกันนะจากนั้นมาก็วางแนวหมูที่มีเขี้ยวยาวเอาไว้ลอบนอกหมูที่มีกาลังน้อยก็อยู่ข้างในพอได้เวลาเสือมก็ออกมาหากินนน หมูตอนนี้ก็บอกหมูกันเสือมันทํายังไงเราทําอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องกลัวมั น, น, นเหมือนกันผลคือเสือมามันก็ตะกุยมันก็ร้องหมูมันก็ร้องตอบหมูไม่แตกเลยเป็นเสืสเอไม่สามารถที่จะเข้ามาหามันได้ก็เลยกลับแต่แถวนั้นมีลือสีอยู่ลือสีโกงอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันอยู่ในป่านะอยู่แถวๆนั้ น, นอยู่ก็เป็นเพื่อนกับเสือเหมงอนกัน เห็นเสือเดินมาตามปกติลือสีเนี่ยเปนเวลาเสือไปคาบหมูได้มาเสือกินไม่หมดอ่ลือสีก็ต้มกินหมูอีกทีหนึ่งว่างั้นเถอะกินเนื้อหมูอีกกินซากของเสือว่างั้นเถอะเป็นประจำแต่เช่วันนั้นเนี่ยเสือมันเดินกลับมาลือสีเอ้ยเสือทําไมกลับมาวันนี้ไม่ได้หมูเหรอไม่ได้คาบหรอไม่ได้ฆ่าสัตว์หรือไม่หมูมันผู้สื่อของมันต่อสู้ เธอไม่รู้กําลังของเธอไปกลัวอะไรพอไปด้วยกับแผดเสียงกระโดดเข้าไปเลยมันก็แตกนีก็จกับเขาได้หรือสีบอกเสือพอได้ยินนี้จโจรอย่างที่วา น, นพอเข้าไปเขาไปเห็นหมูตัวหนึ่งตัวใหญ่ที่เป็นหัวหน้าฝูงแล้วมันคอยท่าอยู่ในกลางมือเสือมันโจรเขาใช้พอโจรมันทิกลัอกอยังไงไอ้นั้นหลบปบลงไปเสือจะตกหลุมที่หมูขีดเอาไว้พอตกหลุมมือขึ้นไม่ได้ทีน เออพรมันถูุ่มันแคบ ล, ล, ลงไปข้างล่างหัวสุกกลงไปทางล่างหมูก็จะนี่น็ลงไปกัดเสือตายัวตายแล้วแบบหมูทั้งหลายก็ลุมกัดกันเลยทีกินเสืออีกทีนี้เขาบอกว่าโอ้เสือตายแล้วสตไม่มีกระตุยแล้วแต่นี่ยังมีวิสีอยู่ในเนี้ยวิสีโกงน่ะเดี๋ยวมันจะเอาเสือมาให้กินพวกเราอีกอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่โน่นหนึ่งหมูจะนำหัวหน้านะพาไปไล่วิสีอีก ลือสีขึ้นต้นมาเดือนหมูข้นต้นมาเดือนลงอีกกินลือสีอีกนี่แหละคือความพร้อมเพียงสมามัคคีขนาดหมูก็ยังชนะเสือได้กูบาวัดเราระวางอดีกตแล้วกัน่ะหมูป่าขึ้นมาจะเยอะเข้ามาเนี่ยเอจะไปแยกับหมูนั่นไม่ได้นะอืมันเอาจริงๆนะหมูปานะ่า <c oughs> คือทางนี้ทางนั้นก็คือสรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงสมามัคคี ปราศัตรูได้เหมือนกับไม้นี่ยนะถ้ามันดิ้นจัดอยู่มันก็ต้านลมได้พราความพร้อมเทียงส ม, มัคคีของป่าคนก็เหมือนกันพระสองฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันครอบครัวใดก็ตามมีครอบมีความพร้อมเทียงส ม, มัคคีนะเกิดสุขทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหาว่าความคิดความเห็นแตกแยกกันไม่ส ม, มัคคีกันหาความสุขไม่ได้แหละศัตรูก็เข้ามา หลังแกเบียดเบียนได้ไง่ายๆแต่ว่าธรรมะสามขีความพร้อมเพียงทำให้เกิดสุขพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาในหลักเป็นหลักสำคัญสมถะมีปัจนาสมถะกรรมฐานที่มัธิปัจนากรรมฐานพยายามทำให้ต่อเนื่องตื่นกลางคืนมาเงียบสงบพอตื่นรู้สึกตัวขึ้นมากเพีรณานดูร่างกายนั่นแะ โอ้นี้เรายังไม่ตายนะเราเรายังระลึกได้อยู่อถ้าว่าคนตายเหมือนกันเรานอนอยู่นี่แหละแต่ไม่มีสติกระดุกกระดิกไม่ได้แต่นี้เรายังกระดุกกระดิกได้แต่ว่าเรายังไม่ตายจากนักก้นก็หมดดูร่างกายของตนเองที่มันนอนอยู่นั่นเนะอเหมือนกับคนตายทุกอย่างแกตะเพียงว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ แต่ว่าคนตายมันมีลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหะเทจนาถึงมรณะรู้สติระนึกถึงความตายร่างกายทุกส่วนอาการสามสิบสองในร่างกายของเราเนี่ยนะมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงแก่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกขังเป็นทุกขเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเกิดจากกายอันเนี้ยและอนัตตาไม่ใช่ตัวตน บอกไม่ได้ใช่ไหมฟังไม่เห้มันแก่มันก็แก่ไม่เห็มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายแต่จิตใจของเราเป็นหลงไปลุ่มหลงกับธาตุกับขันเนี่ยจึงไทยทําให้เป็นทุกข์จากนั้นขอพิจารณาร่างกายกับพิจารณาย้อนมาดูจดตัวจิตดูใจตัวนามธรรมเนี่ยนะพิจารณาย้อนไปนพิจารณาย้อนดูตัวเองที่มันหลงไม่ใช่ร่างกายมันหลงนะใจของเรามันหลงอ่ะ มันหลงกายอ่ามันจึงเป็นทุกข์เพราะนั้นแ่นะการภาวนาคือให้ดูใจนั่นแหะแต่ถ้าว่าเราจะดูใจอย่างเดียวมันจับไม่ได้คอมเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมด้วยนั้นท่านจึงให้พิจารณากายมันอยากที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันเป็นยังไงเราก็รู้อยู่เจ็บก็รู้ปวดก็รู้แก่เท่าชะลาก็รู้เห็นอยู่ ไม่เห็นตนคนตนเองก็เห็นคนอื่นอก็เปรียบเทียบตัวของเรากับคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วนั่งภาวนาพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกนะะัหลเป็นหลักตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนยึดให้เป็นหลักจริงๆพยายามทําให้ต่อเนื่องจริงๆถ้าเราพยายามทําอยู่อีกสักวันหนึ่งต้องสงบได้แน่นอนพยายามทําให้ต่อเนื่อง ทำจะเป็นนิสัยแต่ละวันอย่าให้ขาดไม่ใช่แต่ละวันล่ะต้องหาโอกาสวันหนึ่งให้ได้มากมากทีเดียวน่ะเวลาวเราพักเข้าไปกุฏิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะนอนอย่างเดียวนั่งพิจรารณานดูร่างกายนี่คือหน้าที่ของเราเนะี่ะพระมีหน้าที่อย่างเนี้ยไม่ใช่มหีหน้าที่อย่างอื่นคือจิตตภาวนาเนี่ยละ่ะ เป็นเรื่องใหญ่ของพระทีเดียวละ่ะอันนี้คือชีวิตจิตใจของพระจริงๆคือภาวนาเนี่ยนะสวนธรรมมาค้าขายอย่างอื่นเป็นหน้าที่ของคราวา่าหน้าที่ของพระคือปฏิบัติภาวนาหาทางพ้นทุกข์เรื่องจิตแภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระแท้ๆลเยลยเพราะฉะนั้นพวกเราได้บวชมานะว่าเป็นผู้โชคดีเพราะนั้นตั้งอกตั้งใจล่ะ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 เป็นโลกดึงดูดไม่ได้มันก็ดึงดูดไมนได้ถ้าว่าไปตำตๆโลกมันถึงดูดได้เนีราคาโศมะโมหามันดึงดูดลงมาไปหมดนัเนี่ะเดี๋ยวนี่พระของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าวิตกเหมือนกันเน่ะมันก็โคงอย่างที่พระพุทธเจ้าทํำนายเอาไว้นั่นแหะต่อไปห้าพันปีพระจะเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ท่านก็ทํำนายไว้กันหน้าฟังเหมือนกันสรุปแล้วก็คือรวยแหลมรงไปเรื่อยๆเมือ่อโคงยัง ทรงพระชนอยู่ก็เป็นฝุดแผ่นแน่นานาเมื่อพระองค์ปรินิพานลงไปก็มีแต่พระสาวกก็สยกประมาณระดับหนึ่งพออิสติมหาสาวกท่านปรินิพานไปแล้วต่อมาก็ยังมีพระอรหันต์ก็ยังอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ต่อมาก็มีพระอรหันต์ไม่มากเหมือนในครั้งก่อนๆก็ลวยแหลมลงมาเรื่อยๆ อ, อ, อย่างเนี้จนถึงยุคปัจจุบัน ครูบาอาจารย์ของเราแบพยายามเน้นหนักสอนหลุดสิทธิลูกหาอย่างพวกเราเราทันทันก็พยายามดูนั่นแนหะดูครูบาอาจารย์นั่นแหละทันปฏิบัติยังไงอดทนยังไงการอยู่การฉันการหลับการนอนอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้อยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยปฏิบัติตนให้ถูกนั่นแนหะตอนนี้ไปก็ จะให้นั่งสมาธินะที่นี่นะ